เรื่องปาฏิหารโดยคนข้างวัดคำว่าปาฏิหารแปลว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีในที่จําแนกไว้เป็นสามประการคืออิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์และอนุสาสนีปาฏิหาร คำสอนมีผลจริงเป็นอัศจรรย์ในส่วนอาเทศนาปาติหารและอนุสาสนีปาฏิหารนั้นเราสามารถพิสูจน์คุณวิเศษดังกล่าวของพระพุทธเจ้าได้จากพระพุทธประวัติแต่ในส่วนของอิทธิปาฏิหารนั้นเป็นสิ่งที่พูดยากเพราะความเชื่อของมนุษย์สมัยนี้มีน้อยลงไปทุกวันแต่พวกที่เห็นว่าอิทธิปาฏิหารเป็นของไม่จริงนั้นก็พูดไดแต่ปาก แต่ดูเหมือนยังไม่มีใครกล้าแสดงเหตุผลออกมาให้เห็นประจักษ์ว่าเหตุใดจึงคิดว่าอิทธิปฏิหารเป็นไปไม่ได้หนังสือที่นักปราชญ์แต่งไว้นั้นอย่างมากที่สุดก็แสดงความสงสัยหรือไม่กล่าวสิเลยว่ามีจริงหรือไม่มีจริงดังเช่นสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสทรงกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานอุรุเวละกะสัส ป, ปะ ด้วยอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารทรงแหวกน้ำเสด็จจงกรมหน้าแผ่นดินมีฝุ่นฟุ้งเป็นที่สุดให้อุรุเวลากัสปะเสื่อมพยศเกิดสังเวทได้ความเลื่อมใสลอยชะดินบริขารในกระแสน้ำและทูลขอบรรพชาติทรงถอดใจความเป็นธรรมมาทิฐานตามมติของพระองค์และในที่สุดก็รับสั่งไว้ว่าขอฝากปราดไว้เพื่อสันนิษฐาน รวมใจความว่าไม่มีผู้ใดยืนยันโดยตรงว่าอิทธิปาฏิหารไม่มีจริงแต่ข้อเถียงของผู้ที่ไม่เชื่ออิทธิปาฏิหารก็อาจประมวลลงได้เป็นสามประการคือ 1. ถ้าพระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงอิทธิปาฏิหารเหาะเหินเดินอากาศได้จริงแล้วเหตุไฉนไม่ทรงแสดงเช่นนั้นให้เสมอไปและให้โลกทั้งโลกนับถือศาสนาของพระองค์ให้ได้ 2. ปรากฏว่ามีคนบางคนที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานไม่สำเร็จเช่นเทวทัตที่คิดร้ายและกระทำร้ายพระองค์เป็นอันมากเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงใช้อิทธิปาฏิหารปราบปรามให้ละพยศ3เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้จริงแล้วทำไมคนบางจําพวกจึงยังกระด้างกระเดืองไม่นับถือพระองค์และไม่เห็นพระองค์วิเศษจริง ปัญหาทั้งสาประการนี้อาจตอบได้ดังนี้ในข้อที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปรารถนาจะเอาโลกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์แผ่พระศาสนาเพื่อความสุขของสัตว์โลกไม่ใช่เพื่อสแสวงหาอำนาจอย่างพระเจ้าจากกักรพรรดิการทำฤทธิเดชให้คนเห็น เป็นเหตุนำมาซึ่งความกลัวการยอมแพ้แต่ไม่ได้ทําให้เกิดความนิยมนับถือจากใจจริงความสุขของสัตว์โลกจะมีได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์ไม่ใช่การกลัวฤทธิเดชของพระองค์ถ้าหากจะทรงแสดงฤทธิเดชอยู่ตลอดแล้วพระองค์ก็กลายเป็นผู้สอนวิชานักรบไม่ใช่สอนศาสนาคนที่จะเข้ามาเป็นพระสาวกก็คงต้องการมาเรียนอริเดช มากกว่าที่จะมาเรียนให้รู้ธรรมะของพระองค์ผลที่สุดก็จะไม่ได้รับความสุขอันประเสริฐตามที่ต้องการแต่เมื่อถึงคราวเกิดเหตุที่จะมีผลพาดพิงไปถึงความเป็นความตายของพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ปรากฏแก่โลกเช่นเมื่อตั้งต้นประกาศพระศ า, าสนาทรงรู้ว่าถ้าปราบอุรุเวลกัสปะลงไม่ได้ ศา ส, สนาของพระองค์ก็จะประกาศออกไม่ได้และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพวกเดรัจฉีนิครนมาท้าทายในการแสดงปาฏิหาริย์ทรงเห็นว่าถ้าไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แล้วพระศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในครั้งกระนั้นได้ดังนี้จึงได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไว้ ในข้อที่สองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าอิติปาฏิหารมีผลเพียงให้คนยอมแพ้แต่มิทำให้คนลายเห็นพระธรรมของพระองค์ได้พระองค์จะทรงทำให้คนบรรลุมรรคผลได้ต่อเมื่อได้ทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหารอีกชั้นหนึ่งเช่นในเรื่องพระอุรุเวลกัสปะพระองค์ทรงสแสดงอิติปาฏิหารเพียงเพื่อให้พระอุรุเวลกัสปะยอมว่าสู้พระองค์ไม่ได้และจึงทรงสแสดงพระธรรมเทศนา เป็นอนุสาสนีปาฏิหารคืออาทิตยะปริยายสูตรและในคราวนี้เองพระอุรุเวลกัสปะจึงสำเร็จมรรคผลแต่สำหรับเทวทัตนั้นเป็นคนละเรื่องเทวทัต ร, รู้ดีว่าสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้และยอมแพ้พระพุทธเจ้ามาแต่ไหนแต่ไรจนได้ยอมตนมาบวชเป็นพระสาวก เป็นอันว่าผลเขตที่จะต้องทรงใช้อิทธิปาฏิหาริแล้วแต่ภายหลังเทวทัตเกิดโมหะจริตคิดประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงอิทธิปาฏิหารสักเพียงใดเทวทัตก็คงไม่ตั้งใจเชื่อฟังพระพุทธโอวาทอยู่นั่นเองปัญหาเรื่องทรมานเทวทัตไม่สำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่ปาฏิหารความจริงอยู่ที่ว่า เทวทัตเป็นบุคคลอันจะพึงทรมานไม่ได้เพราะถึงแม้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงสามารถฝึกฝนคนที่ไม่ต้องการให้ฝึกดังที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิระยาณวโรรสได้ประธานอถาธิบายไว้ว่าผู้ไม่ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อหาความเข้าใจได้ชื่อว่าอาปุริสัตถมโมบุรุษที่ฝึกไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอาจฝึกดังนี้การที่พระพุทธเจ้าจะทรงโปรดให้ใครสําเร็จมรรคผลนั้นเปรียบได้กับที่ทรงวางรัตนาชาติอันมีค่าลงในมือของคนนั้นถ้าบุคคล น, นั้นไม่ต้องการรับแล้วจะให้พระองค์ใช้วิธีใดๆบังคับให้บุคคล น, นั้นจําต้องรับเอาไว้หรือหากเป็นเช่นนั้นเมื่อต่อไปภายหลังบุคคล น, นั้นก็คงโยนทิ้งอีกหากประโยชน์อันใดมิได้จากคนที่ไม่ต้องการรับ ในข้อที่สเราต้องทราบอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้ทางจิตวิทยาจเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยพระพุทธเจ้าพวกดาบททั้งหลายแม้ที่มินับถือพระพุทธศาสนาก็ยังได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติหมายเหตุจากพระปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากรมพระประมาณชิตชิโนโรสปริเชษที่16พวกที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์มีคนยอมตนเป็นศิษย์มากมากนั้น ก็จำต้องทำปาฏิหาริย์อะไรได้อันหนึ่งไม่มากก็น้อยดังที่กล่าวนี้อิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นถึงแม้จะทรงทำได้ดีกว่าของคณะาจารย์ท่านอื่ น, นๆก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรมากมายสำหรับคนในครั้งนั้น mm. เมื่อไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่มีฤทธิ์คนอื่นๆก็มีด้วยดังนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการถือพวกถือหมู่นินทากันใส่โทษกัน ขวดอ้างกันว่าของคนนี้ดีกว่าคนนั้นเลวกว่าพวกที่แพ้ไม่ยอมแพ้ก็มีอยู่บ้างด้วยเหตุนี้จึงมีคนบางจำพวกไม่เข้ามานับถือพระองค์สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในพระองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่อิทธิปาฏิหารแท้จริงอิทธิปาฏิหารเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้คนยอมแพ้แต่สิ่งที่จะทำให้พุทธประสงค์สาเร็จได้จริงๆนั้น อยู่ที่อนุสาสนีปาฏิหารเปรียบเสมือนบ้านเมืองที่จะตั้งเป็นมหาประเทศได้ไม่ใช่เพราะกําลังกองทัพมหืมาอย่างเดียวจะต้องเจริญด้วยวิทยาการเป็นเครื่องเพาะความนิยมของประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นปาฏิหารทั้งสาประการมีในดังได้จำแนกไว้ข้างต้นแล้วนั้นต้องนับว่าอนุสาสนีปาติหารเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าอย่างอื่นเปรียบเหมือนมหาประเทศ ที่แผ่อาณาจักรหาเมืองขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้กําลังอาวุธย่อมเป็นอัศจรรย์มากกว่าที่ไปใช้กองทัพไปรบตีเอามาปัญหาที่เรากําลังพิจารณากันอยู่ในบนัตรนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าอิทธิปฏิหารดีหรือไม่ดีแท้จริงอยู่ที่มีหรือไม่มีและคำอธิบายมาในบัตรนี้ มุ่งหมายอย่างเดียวที่จะแสดงว่านอกจากอเทสนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารซึ่งเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วนั้นเราจะต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิปาฏิหารซึ่งเป็นริอันแท้จริงด้วย บทความโดยคนข้างวัดเสียงอ่านโดยโจโฉงอปรุ่งเรื่องบันเจรจับตาลึกษึ้งแปล a b s o r